บทที่๗๓ตัวชชรบสกุชระตัวชิชรัสุุชระได้รับอนุญาตไดุ้ชตุช ต, ชตคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ ว่าชินะจะฟัวนชฟิโต ฮ, ตฮคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือว่่วนกว่าจะวอร์สนโวว่าสอร์สฟิโ คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือววีซ่าขุมวิจิโนฟิอุัวีซ่าขุมวินฟิอุอนุญาตได้ฟิทฮุชต์ฟิุชต์ เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะมิชตุตินทุคุชตามิชตุตินคุชตาตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะมิชตุตินตเชสุคุชตามิชตุตินเชสุคุชตาจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ เครดิตการ์ดเชเอบชพทุชตครดิตกชพทฮุชตะจ่ายเช็คได้ไหมคะเช็คเชเอบพทฮุชตเช็คพทฮุชตะจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะอักษรพักอดี อะรอบเนู่ซาร์ชิดร์อชชอะรก่อตีอะอบเทนูซร์ชิตร์ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะทีลฟฟอนเสชสตวากอดเยมตทีลฟอนตวกอดเยมขึต้ะะขตะขอถามอะไรได้ไหมคะ สกขอุปชัอดีเมสิไสกขีอุดีมสิ่ง่อขอพูดอะไรได้ไหมคะซึ่งก้าส่งกอกเมขุ่งาเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ เราพาร์กมัมชั่ียฟิทับาวีนฟิทับเขานอนในรถไม่ได้เราไมชินม์ชั่ยาไมชินมันฟิตั บ, ตบเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้อาราวอซาลมชิ่วียนฟิตับ เวกซัลมชิทริยนฟิเตเราขอนั่งได้ไหมคะติตอสมะคุชตาติสมะุชตาเราขอรายการอาหารได้ไหมคะมิญมทิขับเุชตามมขัุชตาเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ สหัสห้ ا ฟ ا อบเจ้ากัด